อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำเสมอๆถ้าเราทาอย่างนี้แล้วเนี่ยภัยต่างๆที่จะเกิดข้อกบตัวเราเนี่ยย่อมจะไม่เกิดขึ้นอันนี้แค่ภัยทางกายแต่ส่วนภัยทางจิตเช่นความทุกทนหม่นหมองความเศร้าความไม่สบายใจนี่ือว่าเราเป็นผล ที่เกิดจากภัยทางจิตระเบียดเบียนใจเราอันนั้นคือกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้แหละคือเหตุของความทุกข์ที่จะเบียดเบียนเจตใจเราเสมอๆแต่ไม่เป็นไร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 ไม่อย่างใครก็ตามที่เขามาพบมาเห็นเราเนี่ยเขาก็จจะชักชวนเราในทำในสิ่งต่างๆท ำ, งทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้แต่เราขาดสติที่จะรู้เท่าทันในสิ่งที่เขามาเชิญชวนมาชักชวนเราแล้วก็ทำตามเเราก็ไปโทษเขาว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าจะแกล้งเราไม่น่าจะทำอย่างนี้อันนี้ไม่ยุติธรรม เขาไม่ได้บังคับเราแต่เราขาดสติที่จะรู้ทันเผลอเผลอใจนี่ไใจเราก็เช่นเดียวกันในแต่ละวันเนี่ยมันมีหลายหน้าหลายฉากที่จะมาชวนให้ใจเราหลงไปจากตัวของเราเราไม่มีสติคอยกั้กลองอารมณ์เหล่านั้น และเราก็โทษสิ่งภายนอกเราไม่เคยโทษนะ ว, ว่าไอความคิดที่มันคิดทําให้ใจเราเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปเชื่อไปเชื่อความคิดไม่เป็นไรทั้ว่าผิดแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรเราก็มาแก้ไขนาเอาปัญหาต่างๆในอดีตเนี่ยมาแก้ไขในปัจจุบันให้ดีขึ้น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 การิดูจิตเราสังเกตดูนะว่าใจของเราเนี่ยมักจะคิดเป็นทางที่เราชอบใจเรียกว่าสุขเวทนาหรือบางครั้งมันอาจจะคิดเป็นทางที่เราไม่ชอบใจส่วนของทุกขเวทนาหรือบางครั้งใจเราเนี่มันเฉยเฉยไม่รู้ว่าเป็นสุข่รือเป็นทุกข์เฉยเย เป็นกลางๆว่างๆอยู่อะไรเงี้ยทุกท่านเคยมีในแต่ละวันเนี่ยเรามีอารมณ์อยู่สามอย่างในจิตใจเราเนี่ยสังเกตดูแตไม่มีอะไรเกินนี้ไปเดี๋ยวก็ชอบอาจประมาไม่ชอบอีกแล้วบางทีมันเฉยๆมีไหมอารมณ์แบบนี้มีไหเนี่ยมีในตัวเราเนี่ยเราลองเจริสติไปกับความชอบความไม่ชอบและความเฉยดูซิ อยู่ปัจจุบันนี่แหละอยู่ในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นนะขนาดนี้เดียวนี้มีไหมสํารวจดูดใจเราสิว่าใจเราเป็นอย่างไรมันเฉยเฉยนิ่งๆว่างๆงอยู่ตอนนี้เราก็รู้มันหรือมันเบื่อมันไดายตอนนี้มันลาคาญ ร, รู้สึกลาคาญมันมีอารมณ์ง่วงง่มาแตะอยู่ในจิตใจเราเนี่ยมาพยายามจะทําให้เราเคลิม้มเรารู้สึกเท่าทานมันเราลาคาญ อ๋อใจเราเป็นอย่างนี้นะใจเรามันเกิดความรําคาญเราไม่ชอบอรมนี้หรือเราชอบตอนนี้อ๋อกำลังฟังธรรมเพลินๆสบายๆใจมันดีโอติจใจเราดีทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตอนนี้เราได้สะสมสติไว้แล้วนะกําลังฟังนี่กําลังสะสมสติกำลังเกิดอยู่กับปัจจุบัน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 ที่กลังเจรสติเวลามาเกิดอารมณ์ยินดีล้วก็รู้ไว้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่าไปยึดเอาไว้เวลาเราเกิดความบดกิดอึดอัดกัดเครื่องเบื่อหร่ายรำคาญก็รู้ไว้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเวลาใจเราเฉยเฉยนิ่ ง, งเป็นกลางกลางเราก็อยารู้ที่จะมีสติ รู้ไว้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเหมือนคนบางคนมาเจอเราแล้วเขาก็จากไปคนรู้มาเจอเราแล้วก็จากไปเหมือนแขกผู้มาเยือนเราจะไปยื้อยุดดึงเขาไว้ให้อยู่กับเราตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้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 ถ้ารู้ตัวล้วก็เรามีสติแล้วบางทีเราไม่รู้ตัวเราเผลอไปเรารู้ไมมว่าเราเผลอทุกครั้งที่รู้ว่าเผลอเนี่ยเรามีสติแล้วเห็นไมมีสติคอยรู้ว่าเรารู้หรือเราเผลอนี่มันง่ายมีสองอย่างเห็นไหมมีรู้กับไม่รู้คือรู้กับเผลอหรือรู้กับหลงรู้สองอย่างเมื่อรู้เราก็อ่อนี่เรารู้ตัวนะ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 เพราะตอนจะหมดลมเนี่ยสำคัญมากถ้าหมดลมแบบไม่รู้เนี่ยองอบายนะแต่ถ้าหมดลมแบบรู้ตัวเนี่ยอันนี้แหละสุขติเป็นที่หวังได้